การเวลาที่ท่านจะสนับหรือว่าการศึกษาในพระกรรมฐานทั่วๆไปมาถึงแล้วในสำหรับการศึกษาพระกรรมฐานนี่ผมก็จะสอนไปตามลาดับแต่ถ้าว่าการปฏิบัติของท่านก็ขอให้ปฏิบัติในพระกรรมฐานที่ท่านมีความพอใจ การศึกษาทั่วไปเป็นความรู้พิเศษอันนี้ก็มีความจําเป็นเือว่าในการข้างหน้าท่านจะได้ไม่สอนให้ชาวบ้านเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อว่าการศึกษาพระกรรมฐานไม่ครบถ้วนเรามีความรู้แค่ไหนก็มีความเข้าใจว่าพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนด้แค่นั้น ถ้าหากว่าบาังเอิญไปพบใครเขาซึ่งปฏิบัติไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราทำเราก็จะไปว่าเขาทำผิดหรือว่าทำไม่ถูกไม่ดีไม่ดีก็อย่าหาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกตามพระพุทธคดทพราบาลีเพื่อคำสอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าการพูดอย่างนั้นเป็นการทำลายความดีของคนอื่น ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเพราะรู้ไม่ครบถ้าบุคคลคนนั้นเป็นคนใจอ่อนเป็นพวกศรัทธาจริตก็จะมีความคิดว่าเขาเองปฏิบัติผิดแล้วกลับไปปฏิบัติใหม่คราวนี้ใจเขาจะยุ่งจะไม่มีอารมณ์ทรงตัวนี่เลยผลความดีที่เพิงได้มันก็ไม่ได้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทําให้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วย และการมิชาริฐินี้ก็จะขยายตัวออกไปนักเข้าในเข้าคำสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรก็จะไม่เป็นประโยชน์กลายเป็นโทษสำหรับประชาชนเป็นว่ามีโทษอย่างไรากาดฉะนั้นขอารันดาท่านทั้งหลายจงศึกษาไว้ในกรรมฐานส0สิบให้ครบทนและก็ในมหาปฏิปทานนาสูตร นอกจากนั้นจงใช้ปัญญาพิจารณาเราะว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรแตกต่างกันนอกจากคำนวนเท่านั้นสําหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงดั่งกรรสินต่อไปเรื่องนิดเรื่องเด็กเขาก็สินนี่ผมจะเก็บไว้สรุปทีหลังเมื่อความจริงการปฏิบัติกสินนี่ไม่มีอะไรยาก เป็นของธรรมดาธรรมดานั้ก็เป็นของเป็นกรรมฐานที่ใช่รมง่ายที่สุดผมถือว่าเป็นกรรมฐานที่ปฏิบัติง่ายที่สุดไม่ใช่ว่าผมจะยกตนข่มท่านถือว่าเป็นผู้พิเศษไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าในกาสินนี่อาศัยรูปเป็นสําคัญ จึงจัดว่าเป็นกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานยากจับง่ายสังเกตง่ายเมื่อวา น, นี้ผมพูดถึงปฐวีกสินเข้ามาถึงชา้นสี่วันนี้ก็อยขอพูดถึงอาปโปกสินเตโชกสินวาโยกสินควบไปเพราะว่ากสินสี่ประการนี้เป็นกรมนกรมกสินกลางหมายความเป็นกรรมฐานกลางคนที่จะมีจริตอะไรก็ตามสา ม, มารถปฏิบัติได้ กับอีกสองกสินนั่นก็คืออากาศ ก, ส, าก ส, สินอาโลกสินกสินนี่สองอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นกรรมฐานกลางเพราะว่าปฏิบัติได้แก่คนทุกจริตไม่ว่าจริตอะไรทั้งหมดจะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิโตกรจริตศรัทธาจริตพุทธจริตปฏิบัติได้เหมือ น, นกันสําหรับกสินนี่สี่คือโลหิตกสิน ปิตะกะกระสินนีน่ละกระสินโอทาและกศะสินอันนี้เป็นกระสินเฉพาะพระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าเฉพาะบุคคลที่มีโทสะจริตเป็นการแก้โทสะจริตอันนี้ขอท่านหลายจําไว้ด้วยสําหรับอนุสติที่ผ่านมานะั่นก็ผมไม่ได้บอกไว้แต่ว่าตําราอื่นมีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องบอกสําหรับอาปโปกระสิน กอใช้น้ําเป็นพื้นฐานการดูน้ําตามแบบของท่านให้มีขอบเขตต้องขันลูกเท่านั้นใหญ่เท่านี้แ้่เวลาผมทําของ้มเองผมไม่มีอะขันลูกเล็กขันลูกใหญ่ผมไม่เข้าใจดีไม่ดีก็นั่งดูน้ำํำในบอ่อนั่งดูน้ําในแม่น้ําก็ไม่ติดตาตดจิตใจผมก็หมดเรื่องเมื่อใจจับน้ําให้มันเป็นน้ํา เอาขันน้ำเข้ามาตั้งไว้ข้างหน้าลืมตาโดนน้ำจำสภาวะน้ำให้ได้แล้วก็หลับตานึกถึงน้ำสภาพของน้ำนี่นึกไป ม, มันก็ปฏิบัติตามแบบก่อนนั่นแหละว่าลืมตามัง่งหลับตามั่งว่ากันไปอันดับแรกจิตจะจับน้ำเห็นสภาพน้ำมีความรู้สึกสภาพน้ำเหมือนน้ำเดิม น้ำสีอะไรคุ่นืลใสจะมีเป็นสภาพแบบนั้นเมื่อจับไปจับไปจิตม่สมาธิมากขึ้นจะเห็นเป็นน้ำใสใสขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกทจะทด้ใสที่สุดนิวรมใสสะอาดที่สุดอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิ และก็ทําเช่นเดียวกันบังคับเป็นน้ําใหญ่มั่งเล็กมังสมงบั ง, มมงตามมั่งเหมือนปฐวีกสินเจอมาทั้งน้ำนั่งกลายเป็นแก้วปลากระปิกนึกขินน้ําแพรวความจริงนี่ย่างมันก็ดีเล่น ง, ง่ายๆท่านอยากจะเล่นอะไรก็เล่นทำสักอย่างเรอไม่อย่างนั้นก็เล่นดะาเสีก็ยังได้ ไปนั่งนั่งเห็นภาพพระก็จับภาพพระนึกอยู่ในใจนึกเห็นภาพพระเห็นหลับตาเห็นหลับตาไม่เห็นยากก็ลืมตาลืมตาจ้องสบายสบายพระพระเขาทําได้ยังไงลักษณะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมจะพาท่านไปไปแต่ผมนี่นมันเล่นด่าแบบนี้แหละอะไรเขาตามเห็นเขาแล้วจับให้มันติดใจอยู่เสมอมันเป็นการคล่องตัว อีนี้เรามาจับเฉพาะโจทย์เฉพาะน้ํามันก็เป็นของไม่ยากน้าใสพอน้ําใสพอเริ่มเป็นประกายแพร่แพร่ตอนเป็นประกายนี้จงเข้าใจเหมือนปฐวีกสินพอเริ่มเป็นชั้นแล้วต่อไปก็จับระดับอาการของปฐวีกสินที่บอกมาแล้วมันก็เป็นชา้นสีอันนี้ผมย้อธิบายซ้ำมันเด็ดมันไม่ยุ่งยากไป เพราะเกษินนี่ถ้ทําได้อย่างใดอย่างหนึ่งทําให้คล่องเมื่อได้แล้วนะอย่าประมาทได้อย่างใดอย่างหนึ่งยัยงได้ปทวีเกสินให้มันได้ใช่จริงๆคือตั้งเวลาหัดตั้งเวลาหัดทรงเวลาแต่ทําเวลานี้จะเลิกเวลานั้นเราหลับเวลานี้เราจะตื่นเวลานั้นอจิต จ, จับเขาไว้ไมันจะตื่นตามเวลาทํามันให้คล่อง เหนื่อยเหนื่อยมาจับภาพกระสินภาพให้มาอยู่ทันทีกระสินกองใดกองหนึ่งก็าตามถ้ายังไม่คล่องย่าทำกองที่สองต่อไปคำว่าคล่องนี่ต้องนึกปักจับภาพได้ทันจับภาพได้ทันทีโดยไม่เสียเวลาไม่แต่หนึ่งวินาที้าว่าท่านทำได้อย่างนี้แล้วก็คำว่าสุขวิปัสสโกที่ผมบอกไ้ไม่มีความหมาย ไม่มีความหมายเพราะอะไรเพราว่าท่านจะขยับไปนิดเดียวสมมติว่าท่านได้กระสินกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะท่านก็จัขยับไปจับอรูปฌานเลยพอไดอรูปฌานแล้วจิตน้อมลงมาหาวิปัสนาญาณคนที่ได้สมาบัติไปแค่ไดอรูปฌานเสียแล้วมาจับวิปัสนาญาณ น, นี่ ถ้าใครเป็นอรหันต์เกินเจ็ดเดือนฝึกไปในด้านวิปัสสนายานผมมาแย่เต็มทีเนี่ยมากไม่ถึงหรอกครับถึงแล้วไม่ถึงสซลัรตตะจัยของเรานะ่ยบางทีก็ไปติดอยู่ในฌานแล้วไม่ไปไหนถ้าเอาจริงๆแล้วก็อารมณ์ของสมาบัติที่แออรูปฌานนั่นมันคล้ายคลิงอารมณ์พระอรหันต์มาก นี่ผมขอพูดองปโภคศิลป์สำหรับอโปกสคิล น, นี่ว่าทาอย่างปฐวีกสิล์เอาน้ํามาตั้งหลับตาลืมตาดูไปตามแบบของปฐวีกสิลป์จนทั้งมีประกายทําได้มีสภาพเหมือนกันเรียกว่าได้ชานสีได้ชานสีนสก็หัดเข้าชานออกชานให้มันคล่องถ้าได้ปฐวีกศิลคล่องแลว้วศิลป์อีกเก้าข้อเพราะว่า ทำอย่างละไม่เกินสามวันก็ได้หมดมีสภาพเหมือนกันสำหรับเตโชกสินเตโชกสินที่ท่านดูไฟตามแบบให้จับเฉพาะจุดดวงไฟเท่านั้นอย่างเราดูเทียนนี่อย่าไปดูตัวเทียนจับเฉพาะแสงไฟแต่ถ้าว่าเรื่องการปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่แปลก เมื่อจับแสงไฟจงอย่าดูปเปลวที่หายไปจับเฉพาะจุดไฟว่าสีมันเป็นอะไรเวลอาสําหรับวะอะโปกสินให้อภวรนาวะอะโปกสินนังจะลืมซะแล้วสําหรับเตโชกสินนี่ภาวนาว่าเตโชกสินนังจับภาพแสงไฟไฟนั่นต่อไปอยกลายแสงเป็นสีอ่อนลงแล้วก็มาเหลืองน้อย แนะในที่สุดี่เป็นการขาวขาวแล้วก็เป็นบกกายเหมือนกันสภาพที่ปฏิบัติก็เช่นเดียวกับทวีกสินอันนี้สาหรับมาวายโยกสินี่ยงหน่อยวายโยกสินการดูลมใ่จะดูที่ไหนท่านให้ดูความไหวของใบไม้หรือว่ากิ่งไม้ที่ลมพัดมาจับภาพนั้นให้ติดใจ เห็นอาการไหวแบบไหนจากภาพนั้นไว้แล้วก็ทําใจให้นึกถึงภาพอาการไหวของกิ่งไม้แลือใบไม้ไว้เสมอ <c oughs> ที่ถูกลมพัดจนกระงอาการอาการอย่างนั้นส่งตัวเ <c oughs> มื่ออาการใหญ่นั้นส่งตัวใบไม้ก็ดีแล้อว่ากิ่งไม้ก็ดีที่มันไหวไปไหวมามันอาจจะเป็นสีอะไรก็ได้ แต่ว่าทำไปทำไปมอกกลายเป็นสีขาวแล้วกลายเป็นสีปพฤกษายิกตามเดิมนี่ก็มีสภาพเหมือนกันเพียงกระทั่งเข้าทั้งชานสีตามที่บอกมาในว่าที่ท่านอย่าสงสัยไปดูลมนี่เขาดูกันยังไงวาโยกสินนี่เขาภาวนาว่าวายกสินงังนี่สำหรับโหโลหิตะกะสินไอโลหิตตเนี่ยมันจะดูเลือด เราหิตะนี่ก็แปลว่าสีแดงสีแดงนี่เราจะเอาสีน้ำมันแล้วว่าสีน้ำแล้วผ้าเป็นสีแดงกันได้ไว้สําหรับดูเวลาภาวนาก็ภาวนาว่าเราหิตากสีนังเพราะนาใช้ช้าสบายๆถ้าให้จิตเป็นสุขเมื่อรมเป็นสมาธิสีแดงมันกลายเป็นสีเหลือง สีเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปก็กลายเป็นสีขาวตอนนี้ก็เป็นอุปจาระถ้าเป็นสีประกลายพลิกก็เป็นฉานไม่จะขอพูดตัดไปเลยเป็นสีเวลาเปล่าๆถ้าจะบรนั่งอธิบายผมก็ซ้ําสําหรับอาสกับทวีกัศินป์สำหรับปิตกากศิลป์ปิตกากศิลป์นี่เป็นกศิลป์สีเหลืองจับสภาพสีเหลืองเหมือนกัน เวลาภาวนาภาวนาว่าปิตะกะสินังเวลาภาวนาภาวนาว่าปิตะกะสินังนั่แปลว่ากสินสีเหลืองและว่านี้มิสีเหลืองนั่นเองสภาพสีเหลืองเป็นอุปจารสมาธิต้นมันก็เหลืองเแต่ใหม่ๆมันคงไม่เคยเหลือง แค่ว่าท่านได้กระสินอย่างปฐวีกสินท่านได้มาก่อนแล้วจักแป๊บเดียวได้เลยแค่ต่อไปก็เป็นสีขาวเปรยอเปรย์อุปจารสมาธิปลายในที่สุดก็เป็นประกายพลิกเหมือนกันสําหรับนี้และกระสินเป็นกระสินสีเขียวกระสินสีเขียวนี่ก็เวลาภาวนาภาวนาวันนีและกสินังผมไม่อธิบายดีกว่าว่าทำไปเหมือนกันแหละ ใช่แบบโอทาเดกศิลเป็นกสินสีขาวอันนี้ขาวอยืนแล้วจับภาพขาวให้ขาวไม่ขาวกว่าเดิมให้ขาวมีสภาพคล้ายกับสีขาวเครือบแกว้วอันนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นอันดับสุดถ้าเป็นใบากายออกมาก็ชื่อว่าเป็นอปนามาสมาธิเป็นฌาน สำหรับอากาศกัลสินอากาศกรสินนี่เรามองหาช่องว่างคือความเบื้องว่างเบื้องวางของอากาศจิตจับสภาพของอากาศให้ทรงตัวคือว่าจับจดดุดใดจุดหนึ่งให้มั น, นมมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อหาอะไรไม่ได้ ในเมื่อหาอได้ไม่ได้แล้วก็เที่ยวแหวกกายกรสินเวนลาภาวนาว่าอากาค า, กากสินังให้ลหลับตานำลงไปพับนึกถึงกระโถนวางขนาจิตตั้งว่ากระโถนนี้ต่อไปมันก็มีการสลายตัวไม่มีอะไรทรงอยู่มันก็มีสภาพว่างเรอยภาพกระโถนหายไปนีไ่ไดอารมณ์ว่างอากาเกรสินนี่จับอารมณ์ว่างอย่างเดียว คำว่าก า, ารว่างอย่างเดียวไม่มีภาพปรากฏเรสสภาพไอคำว่าไม่มีสภาพปรากฏนี่ถ้าคุณจะถามว่าถ้าอุปจารสมาธิมัญญนเกิดขึ้นยังไงก็หมายความว่าถ้าเราเวลาที่เราจับอากาศนี่อากาศแท้ๆมันหายากที่ตาเราผ่านมองไปบนฟาน้าให้ตาเราก็ไปจับไม่ มองไปข้างหน้าก็ไปชนนั่นชนนี่แต่ว่าจิตเราไม่คิดไม่ติดในภาพนั้นจิตถือว่าเป็นอารมณ์ว่างจิตมีความรู้สึกข้างหน้านี่ไม่มีอะไรเหลือข้างหลังไม่มีอะไรมันว่างเฉยๆถ้าคุณยาถามก็ว่ามันจะเป็นไปได้หรือถ้าคงก็ต้องตอบว่าถ้าหากว่าคุณทําเป็นฌานมันก็เป็นของไม่ยาก สำหรับอากาศกสินนี่มีสภาพว่างให้มันว่างตลอดไอ้ความว่างนี่แหละมันเป็นโอปจาระสมาธิต่อไปความว่างที่เราจับเป็นจุดข้างหน้านนมันจะ ก, กลายเป็นสีขาวขึ้นมาคือมันโล่งไม่มีภาพอย่างอื่นติดแต่ ก, กลายเป็นสีขาวก็เขา้ามาเป็นสีขาวทึบเช่นนึกหลับตานึกถึงด้านไหนข้ากายก็ตามด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายขวาก็ตาม ความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอเยว่าทั่งหลับตานึกพับและลืมตาอยู่ก็ตามนึกเอาจิตเห็นสภาพก็กายแพลวราวเป็นประกายตอนนี้ก็จับอารมณ์ตามปัทวีกสินว่าปัทวีกสินอารมณ์อย่างใดเขาเรียกันว่าปฐมฌานอารมณ์อย่างใดเขาเรียกว่าฌานสี่ตอนนี้มาอารมกสิน อาโอทาเดกสินขอโทษนะเออขอโทษขอโทษเป็นอาโลกสินเพื่อเพียงข้อดิสิ0ผมไม่ได้เขียนไว้นะอาโลกสินลรมองแสงสว่างเป็นสำคัญคำว่าแสงสว่างนี่เราไม่ต้องการดวงจันทร์เราไม่ต้องการดวงอาทิตย์เราไม่ต้องการแสงไฟต้องการแต่แสงสว่างอย่างเดียววิธีปฏิบัติสมัยก่อนท่านจุด ไฟไว้ในที่ลับเอาถังครอบไว้ถังกลล้นทะลุตัวไฟไม่เห็นเห็นแต่แสงสว่างจับแสงสว่างอย่างเดียวแม้กระทัแสงสว่างนะั้นติดตาติดใจอยู่เสมอจงสุดพระทั่งในสดแสงสว่างกลายเป็นสีขาวขาวขึ้นมาขาวขึมาเขาขมาทึบเต็มที่เราจะยักย้ายไปที่ไหนก็ได้อย่างนี้ เป็นอุปจาระสมาธิแล้วก็เป็นประกายประกายเต็มที่เป็นอัปนามสมาธิหมายถึงว่าฌานที่สี่มขอพูดเ ย, ยอะๆยเพราะว่าถ้าทำได้อย่างเดียวก็ทำได้หมดตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณไม่ถึงสินาทีผมก็อยากขอพูดถึงอนุภาพของก็ศิล ในความจริงเรื่องการแนะนําเรื่องกสิณนี่แค่เพราะนั่นสุขคาวบัตโกนี่เขาไม่พูดกันมากเพียงจับได้อุปจารสมาธิแล้วก็ใช้วิปัสสนาอย่างควบเลยก็ได้หรือว่าจะทําให้ทิ้งฌานสี่แต่ส่วนสุขคาวบัตโกนี่เขาไม่เอาฌานเอาแค่อุปจารสมาธิรุปจาณาฌานพอแล้ว แล้วควบกันไปกับวิปัสนาญาณก็เป็นอาหาันอันนี้ผมจะยังไม่พูดขอพูดเพื่อการศึกษาเทควมจริงเรืองกสิณ น, นี่เรามีการสอนกันอยู่แล้วแต่ว่าในระดับหมดปีนี้ก็จะขอพูดเป็นหมดไปเลยสำหรับปทวีกสิณ น, นี่มีอนุภาพทมของที่ที่อ่อนให้แข็งถ้าม้พูดมาแล้วบอกถ้าเราจะเดินไปบนน้ํา จะคิดว่าที่นี่จงแข็งน้ํามันก็จะแข็งจะเดินไปบรอากาศนี่เดินไม่ใช่หอนะอธิฐานว่าข้ออ า, ากาศที่เราเหยียบไปนี่จงแข็งมันก็แข็งแล้วอะไรก็ตามถ้ามันอ่อนเกินไปเราให้แข็งตามที่เราต้องการมันก็เป็นไปได้สำหรับอาปโปกรสินถ้าไม่มีน้ําจะกินที่ไหนอธิฐานให้มันเกิดน้ำขึ้นมามันก็เกิด หรือว่าฝนไม่ตกอธิษฐาในให้ฝนตกฝนก็ตกถา้าทำได้แล้วอย่าสนนะอย่าสนอย่าไปเล่งข่าวพระพุทธเจ้าตันห้ามแสดงปาฏิหารสำหรับเตโชกสินนั่นเตโชกสินนี่เตโชกสินทำที่มืดให้สว่างก็ได้ หรือว่าถ้าเราจะใช้กําลังไฟของมันเย็นเกินไปเราทํำให้ร้อนยาอากาศเย็งเกินไปนี่เราต้องการให้มันอุ่นระดับไหนมันก็สามารถจะอุ่นระดับนั้นแล้วทาให้เกิดเป็นไฟลุกคึบขับขับขับอย่างนี้ก็ได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ยงเตโชกสินสําคัญระวังด้วยนักปฏิบัติโดดหน้าตรงหน้าต่างมันลายเนือแล้ว อั้นี้พะอะ่อใหญเพราะว่าพอเวลาเวลาภาวนาไปเพ่งภาพกระสินไอเตโชกสินก็เป็นไฟกองใหญ่ลุกคขึ้นล้อมตัวเข้ามาไล้เข้าใจว่าไฟติดบ้านไล้โดดต่างไปสําหรับทําเตโชกสินนี้ต้องระมัดระวงังต้องไว้ใจได้เสมอว่าไฟจะไม่ไม่อะไรเตโชกสินนี้ท่านได้แล้วเป็นปัจจัยให้ได้ทิพยคุยาน ถ้าทำเตโชกสินนีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท่านได้ทิงอุปจาระสมาธิมันก็เป็นทิพยกุญานสําหรับวาโยสินีทํา này, ทสภาพให้เบาของหนักทําให้เบาได้แต่ลอดจนกระทั่งทําตัวให้เบาลอยไปในอากาศที่เราเรียกว่าหอกอันนี้เป็นเรื่อ ง, อ, งอธิฐานเป็นเรื่องของปัญญาหกสาหรับโลหิตเอกศิณ์สีแดง ไอเดกะสินสีแดงนี่ถ้าสีอื่นมีอยู่เราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นสีแดงก็ใช้โลหิตกะสินสำหรับปิตากกะสินเป็นกระสินสีเหลืองถ้าสมมว่าเราอยากจะให้ดินเป็นทองคำก็อธิฐานว่าข้อดินนี้จงเป็นทองคำดินมันก็เป็นทองคำเป็นสีเหลืองจะเป็นเหลืองแบบไหนก็ได้ตามใจชอบ สำหรับนีแล้วกสินเป็นกระสินสีเขียวคือทำประทานที่วัตถุให้เป็นสีเขียวก็ได้เป็นสีดำก็ได้ที่มันสว่างมากเกินไปทำให้มันมดืดเสียก็ได้อย่างนี้ที่ตันเลกว่าท่านใช้อำนาจจิตกำบังกายคือใช้กระสินอันนี้โอทาไกสินเป็นกระสินสีขาว เราสามารถจะทำอาการอย่างใดอย่างหนึ่งสีอย่างใดอย่างหนึ่งเปล่สีอื่นอยู่แล้วให้เป็นสีขาวคนํำให้ทำเป็นคนขาวของแดงของเขียวให้เป็นของขาวยานี้ทำได้สำหรับอากาศกระสินอากาศกระสินนีะะ่บริวชองวางอากาศกระสินนี่อนุภาพของอากาศกระสินอย่าลืมนะอากาศกระสินก็ดีเตโชกรสินก็ดี อาโลกสินก็ดีเป็นพื้นฐานของทิพย์จัญานสามอย่างเนี่แต่ที่ตรงจริงๆก็คืออาโลกสินสําหรับอากาศกาสินนี่อธิฐานทุกอย่างให้เป็นสภาพของอากาศที่ว่างอย่างของที่เขาใส่ไว้ในหีบในหอ่อในตู้ในเซฟในของที่มีบ่งบงังหรือว่าของที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดิน ถ้าเราต้องการจรู้แล้วก็แช่ากายกระสินอดิฐานจิตว่าสิ่งที่ปิดบังสิ่งเหล่านั้นโยูจงว่างไปพอพราะภาวะอย่างนั้นย่อปรากฏอย่างสมมติเราอยากจะดูน้ํามันใต้แผ่นดินว่าประเทศไทยมันมีน้ํามันไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องเดินไปทั่วประเทศหรอกเราจะดูทั่วโลกมันก็ดูได้เอาแค่ตรงนี้ ว่าขอสขอปท ว, วีก็ปทวีก็สินเขาแผ่นดินก็ดีแล้วสิ่งที่บางก็ดีจมว่างไปเสียภาพน้ำมันจงปรากฏเพียงแค่ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมีน้ำมันในพื้นของประเทศไทยไหมหรือว่าส่วนใดของโลกมีมากปีน้อย้วต้องการจะดูทอนจะดูแรกก็ได้แต่ระวังให้ดีนะ อย่าให้ใจมันเกิดความโลภเข้ามาถ้าใจเกิดความโลภเข้ามาอะไรมันก็ไม่เห็นมนื่นั้นเร่งสำหรับอารมกสินสางสว่างก็ไม่สภาพบรรากาศกสินอารมกสินนี่ก็ทําให้สว่างสิ่งที่มันมืดคือของที่มันปิดมันบังอยู่ก็แสงดง ม, มันมืดเมื่อเราใช้อโลกสินเข้าไปกําหนดรูของภายในที่เขาปิดบังไว้แล้วก็สามารถเห็นได้ขึ้นมาสว่างเข้าไป รวมความว่าก้าสิลทั้งสิบประการสำหรับวันนี้มันก็จะหมดเวลาอยู่แล้วผมก็ขออธิบายย่อๆมาเพียงเท่านี้แต่ถ้าหากว่าถ้าจะใช้ได้พิญญาก็ไปดูที่อธิบายไว้แล้วเรื่องความจำจริงๆเพราะว่ามันไม่จำเป็นเนีย่ยโมไปนั่งเล่นในพิญญาสมาบัติไม่ได้เกิดประโยชน์ มันจะเปเล่นนิชาสามมันก็แข่นนั่นแหละแต่ทำเพื่อทรงจิตสมาธิอันนี้ดีมุ่งเอาไปอรหันก็นเลยดีกว่าเพราะการทำกระสินอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็ใช้อารมณ์วิปัสนาญาณเข้าไปควบอย่างนี้ท่านเป็นอรหันไม่ข้ามวันกันนะแต่ว่าถ้าวิสัยเดิมยังอ่อนโย ถ้าได้กระสิงกองใดกองหนึ่งทั้งชาญสี่ถ้าเอาจริงเอาจังกันถ้าบรารมีอ่อนคำว่าบรารมีอ่อนคือกาลังใจอ่อนจะได้เป็นอรหันต์ภายในเจ็ดปีถ้าบรารมีอย่างกลางคือกําลังใจอย่างกลางจะเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีความเข้มแข็งในกําลังจิตจริงๆ จ, จะเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดวัน ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรหนักใจเอาละท่านทั้งหลายมองดูเวลาหมดแล้วคงขอสรุปประเพียงท่านพี่สาหรับเรื่องเกษินนี้ยังไม่จบเพราะทำเกษินกองใดกอหนึ่งต้องเป็นอรหันได้ผมจะนําอาการอย่างนั้นอธิบายให้ท่านฟังในวันหน้าสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วขอทุกท่านท่านตั้งกายให้ตรงดําร ง, งจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภ า, าวนาและพิจรารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี